อยู่คนเดียวก็หาเรื่องมาเล่นหาเรื่องมาคิดหาเรื่องมาทำหาเรื่องมาพูดหาเรื่องมาปู่มาแต่งอนุนบ้างอันนี้บ้างพราะเราไม่เห็นตัวจิต ท, ที่มันที่ไม่มีความคิดเนี่ยเราไม่เคยเห็นมันแต่เราฝึกอยู่คนเดียวเพื่อเห็นจิต ท, ที่ไม่มีความคิดมันเป็นอย่างไรจิตมีความคิดเป็นอย่างไรเราก็จะฝึกให้จิตของเราได้สัมผัสภาวะเหล่านี้บ ouais. ่อยๆเพื่อจิตของเราได้สัมผัสสภาวะว่าจิต ท, ที่ไม่มีความคิดเป็นจิตว่างจากความคิดเป็นจิตอย่างไร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 เป็นเป็นน้ํารูปเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่านารูปนี้ไว้ใจไม่ได้นะั่นคือปล่อยปละละเลยเดี๋ยวมันสร้างเรื่องนัเราก็ไม่ไม่ไม่ไปต่อเติมอะไรมันกลับมาอยู่นามรูปที่ชัดนามรูปก็หายไปแต่มเมื่อไรมาอยู่นํามรูปปัจจุบันไม่ชัดน้ํารูปก็ปรากฏเพอาะนารูปปรากฏเรายังไม่ใส่ใจที่จะจัดการปรับคืลี่ความรู้สึกให้ชัดนํารูปไปสร้างความคิดเหล่านี้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 แต่ถ้าเราตั้งใจมากเกินไปมันจะตึงจะเครียดจะเกร็งจะไม่สบายอันนี้ไม่ถูกละอันนั้นเป็นตัวอย่ากเป็นตัวด่าหาอุปทานเข้าไปจัดการแต่ถ้าหากว่ามันเป็นตัวผ่อนคลายสบายๆเป็นตัวสติมัเป็นลักษณะประคองแล้วเข้าใจในสิ่งที่ทำเป็นลักษณะของตัวสมรชญยะและปัญญาว่าเรากําลังทําอะไรเพื่ออะไรซึ่งเป็นลักษณะของสมัมปชญญัญยะ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 ภาวะที่ยาวไกลท่านบอกว่าหนทางยาวยาวไกลสำหรับคนที่หนิดเหนือ่อยเมื่อยล้าคนที่แบกภาระหนักลาตียาวสำหรับคนที่นอนไม่หลับวัดสะสงสานิยาวสำหรับคนไม่รู้ทมอันนี้มันไม่ที่สิ้นจบนะแต่ว่าพอเรามารู้เรื่องนี้ปั๊บเนี่ย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 ทานเสร็จแล้วก็เดี่ยวข้อตัวก็กลับไปนั่งทานที่นี้ก็ได้ท่านถือไปที่โน้นอาจจะเป็นที่ไกลเพราะนั้นคุณพิมใจกับคุณวิภาอยู่ข้างนอกดูเนาะมาเก็บข้างในสองวันได้ให้เพื่อนได้เก็บดูว่างเพราะเราเก็บมาหลายครั้งแล้วเพื่อนคนที่เขากำลังฝึกยังไม่เคยเก็ยบยู่มีต้องลองดูมุเก๋ยังไม่เคยเก็บเลยใช่ไหมฮ ะ, ะยังไม่เคยคุณเอียงเคยนะ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 เพราะเราเป็นนักโทษของวัฏสงสารมาไม่รู้กี่พวกกิชาติแล้วติดในคุกอันนี้เราก็น่าจะรู้จักขิดหลับขับจามึงเนาะยังชอบอยู่ในคุกนี้ตลอดมันก็ไม่ไหวนะก mm. ็เอาตัวออกมาจากคุกเสียบังออกมาจากคุกคือความคิดที่เกิดด้วยวิชาดันหาวิานเนี่ยเป็นคุกขังเราขังใจเราออกไปไม่ได้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 โบราณอีสานคืบ ว, บวงขอ้อปลูกศอกปอกใส่เท้าบวงปลูกคอคืออะไรบวงปลูกคอ <c oughs> ก็คือลูกออกไม่ได้ปลูกศอกเชือกปลูกศอกคืออะไรอันนี้ยาสามีปอกใส่เท้าคืออะไร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 ม, ม, มีอิทธิปฎิหารมีอเทศนาปฎิหารมีอนุสาสนีปฎิหารแต่ผู้เรียบไม่สนใจเสืส่อนอิทธิปฎิหารอาเทศนานปฎิหารแต่สนใจเสื่อนอนุ ส, นสนาสานีปฎิหารคือทุกคนสามารถเข้าใจได้ในขบวนการอ น, นั้นนะว่าเราจะไปดับทุ้ขไปอย่างไรมีขบวนขั้นตอนอย่างไรเราจะออกปัญหาโจ น, นี้เราจะออกอย่างไรมีขบวนการขั้นตอนอย่างไรเนี่ยมันชัดเจนนะเพราะฉะนั้นก็จึงอยากจะให้มีความตั้งใจ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 โบราณอีสานว่าไงทางเตียนเวียนไปนนะรกทางเตียนเวียนไปนระกทางรกวกขึ้นสวรรค์ทางรบวกขึ้นสวรรค์นิพพานทางเตียนมักจะเวียนไปนะ็นรกทางรบวกไปนิพพานโบราณอีสานนั่นว่าไงนะดูมันทางรบลบคือทางเก่าแก่แหละไ ม, ไ ม, ไม่ค่อยมีใครเดินนะทางนี้เราก็มาแพล่วมาทาง ม, มาเดินกันคนมาเดินใหม่่มเอ๊ะมันทางทําไมดูมัน